2. เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเป้าหมายแรกคือการละความเห็นผิดว่ามีตัวเราที่ถาวรแท้จริงและเป้าหมายสุดท้ายคือการบรรลุถึงอิสระภาพปราศจากความบีบคั้นทางใจทั้งปวงและพ้นจากทุกได้ในชีวิตนี้